พ่อคะตอนนี้แบบทำอะไรผิดไปบ้างหรือเปล่าคะช่วงนึงมันหลงนานจังดูออกไหมล่ะช่วงนี้ดูไม่ออกเลยอะคะ่ะใจไม่ตั้งมั่นมันเออเออออกไปเรืเ่อยๆทาไมมันเป็นอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อเยอะไปดัดแปลงมันสิ <c oughs> เวลาที่ใจเรามันเอออย่างเนี้ยรู้ว่ามันเอ อ, อย่างเนี้ยแล้วรู้อย่างเป็นกลางจริงๆน้ําจะพอดีเลย คือแบบก็คิดว่าแบบก็รู้นะคะมันจงใจจงใจอ่ะอืะมันยังพยายามไม่เลิกมันไม่ได้รู้เล่นๆจะเอาจริงแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานดีใช่ไหมคะหลงพ่อรู้สึกว่าเมื่อวานมันมันจะแบบตื่นๆื่นเมื่อวานจาไม่ได้แล้วตอนนี้ดีกว่าตุกี้ตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้ว มองออกไหมเพราะว่ามันเราอยู่ๆเราก็น้อมใจให้เข้าไปนิ่งอยู่เนี่อะอย่าไปน้อมเข้าไปให้นิ่งมันน้อมเข้าไปนิ่งงั้นให้เรารู้สึกเฉยๆปล่อยมันออกมาแล้วเมื่อเกี๊ยบหลุดออกมาได้เ อ, อตรงนี้หลุดออกมาหน่อยแล้วไม่เหมือนกันดูออกป่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปอยู่อย่างตะ ก, กี้เนีย่ยตะกี้มันเข้าไปนอนไม่เฉยๆอยู่มากๆก็เป็นโลกเอ๋ออ้อาใครจะยกมือเชิญ <c oughs> อาจารย์คะอาจารย์มักจะพูดว่าหนู่ไปสร้างพบอยู่พบหนึ่งคราเนี้หนู่เห็นตรงนี้บ่อยมาก <c oughs> แต่หนูไม่รู้วิธีแก้ไขชีอพันธถใลดม่ลงนิดเออเสียงมันก้องทีนี้พอหนูกลับไปตั้งแต่อยู่วัดเนี่ยนะคะกลับไปวันที่สี่เนี่ยหนูที่ตัดสินใจแล้วว่าหนูจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเจริญสติตลอดไงคะ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 บางครั้งสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยหนูไม่ทราบว่าจะตามรู้ได้ยังไงอะค่ะอย่างเช่นเวลาอาบน้ำให้ลูกหรือว่าเวลาที่ตัวเองอยู่เฉยๆไม่ทราบว่าสภาวะนั้ น, น, นลูกควรจะตามรู้ยังไงเฉยๆเฉยๆก็เป็นสภาวะอันหนึง่งแต่ไม่ทราบว่าตัวเองเฉยหรือคิดเอาเองว่ามันเฉอยอะค่ะตอนนี้กกำลังสงสัยอยู่สงสัยว่ารู้หรือว่าเผลออะไรเงี้ยค่ะรู้หรือว่าคิดเอาเองเนี่ยให้รู้ว่ากาลังสงสัยอยู่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 ไม่ถูกไม่ถูกอีกแล้วไม่ถูกอย่างเงี้ยเป็นปีเลยเพราะงั้นไม่ว่าทําอะไรนะก็ผิดทุกทีเลยวันที่จะภาวนาเป็นเนี้นะก็ร้องไห้กลับไปอย่างนี้แหละนั่งรถกลับกระบี่ไปนะเพราะพระอทิตยมันขึ้นหรือพระทิตยมันตกจําไม่ได้แล้วแต่พระอทิตยจะขึ้นใจก็ตื่นขึ้นมาเลยอ๋อไม่ต้องทําอะไรเลยแค่รู้สึกอยู่กับปัจจุบันนี่เองมีชีวิตอยู่ขณะจิตตอนหน้านี่เอง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 หายใจออกยาวก็รู้ห า, aware, ห, า parole, หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หยุดหายใจก็รู้อะไรเงี้ยนันสอนง่ายๆพิสูทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้นะเดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้พิสูทั้งหลายก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้คูก็รู้เหยียดก็รู้จะเคลื่อนไหวทําอะไรก็คอยรู้ไปถามว่ารู้อะไรก็รู้ร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไปเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรา การรู้เนี่ยรู้2 อ, อย่างซ้อนกันรู้ด้วยส ต, ติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็ค mm. ือรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายอย่าให้กายหายไปนะเวลาเราใจลอยเรียกว่าขาดสติสังเกตนไหมเวลาเราใจลอยคิดนู่นคิดนี่ไปร่างกายหายไปเราไม่รู้ถึงความมีอยู่ของกาย mm. ก็เรียกว่าขาดสติไม่รู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจก็เรียกว่าขาดสตินี่ให้เรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้มีสติรู้ทัน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 เมื่อมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์ก็รู้ว่าม <iej, have, S 2> ีความทุกข์เฉยๆรู้ว่าเฉยๆท่านไม่ได้สอนนะพิสูุทั้งหลายให้รีบหาความสุขพิสูจทั้งหลายให้ปฏิเสธความทุกข์ไม่เคยสอนนะพิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาให้รู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมกิยามีแต่คําว่ารู้ท่านไม่ได้สอนนะพิสูจทั้งหลายห้ามมีราคะพิสูุทั้งหลายถ้ามีราคาแล้วให้รีบละเสื้วไวในพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน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 มาเห็นร่างกายตัวเองสวดมนต์ด้วใช้ได้ดีแล้วก็ลูกน้องที่บริษัทเขาปวดไม่เกินนะฮะ เ, เขานอนท้องพูดโธแล้วเขาบอกก็เห็นตัวเองนั่งยองๆมองดูเออนั้นเป็นเรื่องของสมาธิแนละ้วอ๋อครับเป็นเรื่องสมาธิแล้วจิตมันมีสมาธิบางทีมันแยกออกมาจากร่างกายแล้วก็มานั่งมองตัวเองอยู่นะแล้วสมมติถ้าเห็นมองนี้เราควรจะมองร่างกายหรือมองจิตใจครับ อถ้าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยสงสัยนะครับรู้ลงปัจจุบันถ้าเกิดอาการอย่างนี้คือมาตรงทางหรือยังครับใช้ได้นะอ๋อครับถ้าเรายังเห็นจิตใจเห็นร่างกายทำงานไปเรื่อยๆเราเป็นแค่คนดูอยู่นะใช้ได้ครับขอบขอบพระคุณครับเป็นเรื่องของสมรรทนะกราบน้มัสการหลวงพ่อครับเมื่อเดือนตุลาคมผมมา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 พ อ, พอเลิกนั่งมันก็หายเห็นไหมไม่เห็น<ต>เป็นไรเลยแต่ว่าถ้าถ้าในชีวิตประจําวันตามดูติดไปมันไม่เป็นไม่เป็นหรอกนะอันนั้นเป็นอานาจของสมาธิตัว ถ, นะถ้าผมต้องการแบบว่าพักผ่อนพักผ่อนทำได้หลายอย่างนะฟังซีดีหลวงพ่อทําใจสบายๆจิตก็ได้สงบลงมาละนะหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าจิตก็สงบแล้วของคุณนะัหลวงพ่อไม่แนะนําให้ไปทําสมาธิมากนะักเดี๋ยวกลับไปติดที่เดิมเพราะตัวนั้นกวางการเจริญปัญ ญ, ญาเป็นเกณฑ์ไหมถ้าเป็นนิ่งอยู่ที่นั้นนะมันนิ่ง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 พอแกเห็นนะแกสบายเลยดูลูกเต้าเสียผู้เสียคนเดี๋ยเลิกปกครองนะแล้วหลวงพ่อมีการบ้านแอสไซนให้ไปดูเลยเพิ่มเติมดูบ่อยๆ<า>ยน ะ, นะทำเป็นแล้วก็ต้องไม่ขี้เกียจ <คะ S 1> แต่ไม่รีบร้อ น, น <คะ S 1> ไม่ขี้เกียจแต่ไม่รีบร้น <คะ S 1> อนสาวบิ๊กเนี่ยเป็นที่สองเขาอยากเขาอยากส่งการบ้านมาหลายวันแล้วค่ะอ๋อเอามาคนนี้มันช่วยหลวงพ่อทํางานมาเยอะแล้ว เดี๋ยวันรู้นิติภาวะแล้วว่าจะตั้งเป็นกรรมการบังคับให้ลูกส่งว่าเดี๋ยชักสงสัยว่าไงวันนี้บังคับแม่มาด้วยค่ะไม่กล้าส่งอัให้คนอส่งยักง่อไน้างแแล้วเดี๋ยวมาส่งนกรอบบิ๊กครับวันนี้ผมมีโมหะครับแต่ว่าวางฟอร์มด้วย วางฟอร์มครับแต่ผมว่าช่วงนี้ถ้าไม่ต่อหน้าหลวงพ่อผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะก่อนจะจับไม้อะยังดีอยู่<ก> จ, จับไม้แล้วเลยเสียแก๊กครับติดแ ก, ก๊กไปนินี่ไม่ใช่ไทยแก๊กนี่ไทเก๊กอ้าวว่าไปแล้วครับไม่มีอะไรจะส่งแล้วครับงั้นก็ส่งไม้นู่ไปข้างหลังนี่ลูกศิษย์วัดนู้นวัดจันทร์คาเบสโกใช่ไหมใช่ไหมหรือไม่ใช่เออ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 ทิฏจลิตรักข้าจริตผมไม่ทราบว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วกว็เวลาปฏิบัติของผมก็คือเชา้ากลางคืนจะสวดมนต์นั่งสมาธินะแล้วเวลาปกติก็จะตามรู้ไปเรื่อยๆอมไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรดีครับที่จะดูส่งไมมาแล้วคุณจะนั่งสมาธิให้หลวงพ่อ ด, ดูนั่งไปเลยนะเหมือนที่นั่งจริงๆนะลืมหลวงพ่อซะแล้วนั่งไปอ้าววลา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 เห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆเราฝึกอานาปนาสติเนี่ยนะคือฝึกสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะไม่ได้ฝึกให้จิตเคลิมขาดสตินะต้องระวังนะเริ่มต้นตรงนี้ไม่ถูกหรอกหลวงพ่อเสียเวลาอยู่ตรงนี้ตั้งยี่สิบสองปีเนะีนะ่ยนั่งคุณหายใจใหม่นั่งไปไม่ต้องถามนั่งหายใจไปอ้าวตอนนี้มันมันมันแองแมง้งมันก็เริ่มไม่ปล่อยตัวไปแองแม้งแล้วอะค่ะ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 แล้วก็ถ้าเวลานอนเนี่ยก็คือไม่มีไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนเนี้รู้สึกคือหนูว่าหนูตื่นแล้วหนูคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าตอนว่าหลงไปแต่รู้สึกว่าใจมันสบายอ ะ, ค, ะค่ะคิดไปเองนะแต่คิดถูก <c oughs> ต้องต้องไปทำอะไรคือไม่ไม่อยากทําแล้วพอทําแล้วมันก็หนักอะค่ะไม่ใช่เราทำแล้วมันก็ผิดสิสร้างภบสร้างชาติสร้างทุกข์คุณเบอสิบห้านีไปคิดแล้วขาดสตินะอย่างนี้เรียกขาดสติใจลอยไป ได้สองสภาวะแล้วนะหนึ่งนั่งสมาธิแล้วน้อมใจลงไปให้เคลิบนิดอันหนึ่งไม่เอาอีกอันหนึ่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยใจหนีไปคิดให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิดะแล้วใจจะหนีคิดทั้งวันเราก็รู้บ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีของคุณเบอร์เจนะ็บสามน่ะยังบระคับตัวเองไว้นิดหนึ่งนะแต่ว่าใจมันเริ่มตื่นแล้วมันโปล่งๆขึ้นมาแล้วอ่ะคุณนี้ส่งย่างทางนี้มีไหม ไ, ไม่มีจะได้ส่งไปข้างโน้นบ้างอ่ะ นมสัส ก, การค่ะหลวงพ่อคือว่าก็เคยฟังฟังซีดีมาตลอดนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะก็มาส่งกันบ้านนะคะ hmm. ก็คือแรกๆเนี่ยก็คือตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่ากายเนี่ยเออใจเนี่ยบางทีเนี่ยเอาไปออกออกไปจับอารมณ์ข้างนอก hmm. มันก็จะเห็นว่ามันทุกข์ hmm. ก็เลยเห็นสภาว่าว่าอ๋อเนี่ยคือมันหลง แล้วก็บางทีก็อ๋อมมันพอรู้ตัวก็อ๋อนี่คือไม่หลงก็คือจับสภาวะอย่างนี้ได้แล้วก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันมีผู้รู้ผู้ดูคือคือเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่เหมือนหุ่นยนต์นะคะก็คือบางทีก็เห็นว่าแบบมันก็ทํางานเองเดินเองอะไรอย่างนี้ไปได้ของมันเองอะค่ะแล้วก็พอตามรู้ตามดูไปอีกก็อย่างไปเข้าไปซาวน่าก็เห็นความร้อนก็ดูความร้อนมันก็มันก็ร้อนนะคะก็ดู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 คือไม่แทรกแซงหมเลยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นตลอดอเลยค่ะอืมดีแล้วสังเกตแม่ขันก็ส่วนขันน ะ, ะแล้วทำงานของเขาไปใจของเราแยกออกมาจากขันพรากออกจากขันใช่ค่ะดีฝึกไปเลยนะวันหนึ่งก็จะเข้าถึงธรรมะน ะ, ะฝึกไปเถอะในชีวิตนี้ต้องได้อะไรบ้างเลยอ่ะเบอร์79การาบนมัมสการพระตางค่ะเอ่อ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 <c oughs> มันต้องติดนะถ้ามันไม่ติดนะมันหลุดพ้นไปแล้วเารวาควรพระอาจารย์ให้กันบานเพิ่มได้ไหมคะอะไรนะให้กันบานเพิ่มว่ า, <ม>วาดูลูก<ะ>เดียวเลยดูดไปเร <c oughs> ื่อยๆใจเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมานะคอยรู้ไปเรื่อยๆเราจะชอบปรุงอย่างส่วนมากนะเวลาเราจะเข้าไปใกล้คนอื่นเราก็ต้องปรุงขึ้นมาให้ดูดีๆอะไรเงี้ยนะวางฟอร์มอะไรพวกนี้ยเราคอยรู้ทันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะดูง่าย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 แต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากร่วมวงคือไม่อยากรับฟังอะคะ่ะคือรู้สึกว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแบบลาเขามาเมาคนอื่นเงี้ยะคะ่ะเวลาเราต้องอยู่กับโลกนะเราหนีไม่ได้เราก็นั่งดูใจของเราไปนะเขาหัวเราะเราก็หัวเราะไปของเขานี่ยนะก็ใครรู้ทันไปนะอยู่กับโลกจะทิ้งเสีทีเดียวเขาก็ดูว่าประหลาดไปแต่บางทีที่ว่าพระอาจารบอกว่าอพอรู้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 ใครดูไปนะในวันหนึ่งเราจะเห็นเลยความสุขก็ของโชวคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวกูศนละหรืออะกูศลโรกหลดลงอะไรล้วนแต่ของโว่วคราวทั้งหมดเลยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ว่าเราจะไปรู้อะไรก็นั่งดูมันไปดูให้เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวอย่าไปคิดนะดูจริงๆค่ะขอบพระคุณนะค่ะเขาแกส่งกันบ้านค่ะไม่ได้ส่งมาหเดือนแล้วค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าโปร่ปงๆ่ะคะ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 S <S> <S นะเวลาเราดูไม่ได้แล้วเรากลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจเนี่ยดูได้แล้ <S <S> <S ง่ายนะ <S <S> คือถ้าเป็นร่างกายปกติอะคะ่ะพออยากพอเริ่มสบยายใจมันจะตามเดาได้นะคะ <S <S> แต่พอป่วยแล้วมันมันยังไงมันก็ไม่ได้คะ่ะมันไม่มี <S <S> เรื่อง <S <S> <S ค่อยๆฝึกตอนที่ยังแข็งแรงนี่แหละฝึกไปเรื่อยๆถ้าต่อไปตอนป่วยถึงจะทาได้มันเหมือนอย่างเราต้องหัดว่ายน้ำซะก่อนที่จะตกน้ํำจะรอจนป่วยแล้วฝึกเนี่ยไม่ได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังไม่ป่วย เรฝึกให้ดีนะถึงจุดหนึ่งพอมันป่วยหนักจริงๆ ร, ร่างกายทําท่าจะไปไม่รอดแล้วเนี่ยจิตใจมันจะตื่นเบิกบานขึ้นมาจะดูร่างกายนี้หายใจเขมเหวเขมเหวใกล้จะตายแล้วจิตใจมันจะอยู่ต่างหางหลวพ่อคะมีอีกเรื่องที่กังวลอยู่อะค่ะพอดีเป็นคนที่ฝันฝันทุกถ้า ท, ทุกคืนนะคะเราจะฝันมั่วบตื่นขึ้นมาจะเพลียมากมทีนี้เคยได้ฟังหลายๆคนบอกว่าพอตเตริญสติ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 มันจะไม่ใช่ฝันละแต่มันจะเห็นว่าจิตมันชิดไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะเอาพ่อส่งกันบ้านาคนนี้ก่อนเชิญการสมัชชการค่ะก็คือจะมาส่งกันบ้านของพ่อไม่มาวันหกเดือนค่ะแต่เวลาฟังสีหลวงพ่อเรารู้สึกว่าเวลาไม่ฟังมันก็ได้ยินเสียงอย่างนี้ค่ะไม่แตกนะเสียงหลวงพ่อตอนนี้นะไม่เคยขาดหายจากโลกเลยมีคนบางคนนะเปิดทั้งวันทั้งคืนนะ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 <ไ>แล้วก็กมาเป็นเพื่อนพระอาจารย์ที่เป็นหมอด้วยกันก็เป็นอ า, อาจารย์ผม<า>บวชมาสิบกว่าพรรษาะวัดดอย อ, อ, อ, อ, อ่าคุณเสื้อเหลืองอาคนนี้ก่อนได้อ่ไหนๆก็ได้ไ ม, ม้ละกราบนมัสการนะคะฟังซีดีหลวงพ่อเกือบทุกวันนะคะแล้วก็วันละหลายเวลาด้วยแลวอยากทราบว่า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 ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังแล้วสวย <c oughs> มีคนไปให้สัมภาษณ์นะลงนิตยสารแอล L. มีอยู่เล่มหลายเดือนแล้วมั้งนะว่าฟังธรรมะเนี่ยมีรูปซีดีของหลวงพ่อประกอบด้วยดังนั้นใครมีซีดีหลวงพ่อแล้วมีโอกาสสวย <c oughs> <c oughs> แต่อย่าเอาครีมไปทาซีดีแล้วถูหน้านะ <c oughs> เอาไปฟัง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 เราปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากจิตใจของเราได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราเห็นคุณเห็นประโยชน์ของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือการรักษาธรรมะเอาไวนะ้ขั้นแรกอย่างน้อยเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงขึ้นมาหนึ่งคนก่อนนะต่อไปเราเข้าใจแล้วเราบอกต่อนะเราก็จะสร้างชาวพุทธแท้ๆขึ้นมานะชาวพุทธจริงๆมีน้อยนะน้อยมากเลยไม่ใช่ว่ามี50บล้าน60ล้านอะไรหรอกจริงๆมีหมื่นคนก็ยากแล้วนะ ชาวพุทธแท้จะไม่นับถือสิ่งอื่นนะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะนะเนี่ยกล้าหาญเด็ดเดียวถึงจะเป็นจะตายก็ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนะมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใจเราเด็ดเดียวขนาดนั้นไหมเราเพึ่งตัวเองเราไม่พึ่งคนอื่นไม่พึ่งเทวดาเรากล้าไหมเราเพึ่งกรรมของเราเองคือการกระทําของเราเองเพานั้นชาวพุทธนะเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ได้เชื่อสิ่งอื่นว่าใครจะมาดนบันดาลอะไรให้เราได้นี่ชาวพุทธแท้ๆต้องเป็นอย่างนี้ชาวพุทธต้องมีศีลนะ พอเรามีสติขึ้นมาเราคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆเราก็จะรู้เลยว่าการที่เรารักษาศีล น, นั้นนาความสุขมาให้แต่เดิมเราคิดว่าการถือศีลทาให้เป็นภุกนะถือยากแต่พอเรามีสติแนละศีลมันเกิดขึ้นเองเวลาที่เราจะทํากรรมชั่วละเมิดศีลเนี่ยเราละอายแก่ใจเห็นไหมมีฮีรีมีโอตับปากขึ้นมาละอายใจกลัวบาปไม่อยากทําหรอกถ้าทําไปแล้วจิตเศร้าหมองเห็นไหมศีลมันเกิดขึ้นเอง ศีลเราก็มีเห็นไหมใจเราก็ตั้งมั่นมีความสุขมีสมาธิขึ้นมาเรามีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยพวกเราฟังทำมากๆเข้านะเรามีสติขึ้นมาเราก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงจุดหนึ่งจะเกิดวิมุตนะเกิดวิมุติเกิดโสดาปติมาคเป็นต้นไปจนถึงสุดท้ายนะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงความทุกข์ก็ตกหล่นเป็นลําดับลําดับไปอดทนนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนที่ช่วยตัวเองหลวงพ่อได้แต่บอกทางให้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 เดี๋ยวก็หนีไปคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ <c oughs> เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเห็นไม่มีแต่ความไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆนะมีแต่ของไม่เที่ยงแล้วก็รู้สึกอยู่ในกาย <c oughs> เห็นไหมร่างกายเราเป็นวัตถุ <c oughs> เป็นก้อนธาตุของคุณดูกายช่วยไปด้วยนะจริต <c oughs> ของคุณต้องดูกายไปด้วยสมาธิเยอะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับหลวงพ่อเทศสอนเรื่องว่าเรารักตัวมากก็เลยเอา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 ไม่จําเป็นเสียเวลาเพราะไม่มีใครรู้สึกว่าพื้นเนี่ยพื้นห้องเป็นตัวเราไม่มีหรอกมันต้องรู้สึกที่กายที่ใจของเราเนี่ยจนละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้อาบต่อไปได้อีกหูยกเพียบเลยเตรียมไว้สามแต่ว่าลืมไปแล้วครับข้อที่สามเด้องั้นก็ยกเป็นไปอข้างหลังไ ห, ไหนก็ช่วงหลังที่ปฏิบาาัติอะค่ะจะทําพุโทโธให้ใจให้ใจสงบอะคา่ะแล้วพอเริ่มพุทปุ๊บเนี่ย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 มันรู้สึกเกิดเข้าไปตะลุมบอลมากไปหน่อยครับ mm hmm. อืครับยังบางวันเนี่ย อ, อภาวนาตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวคืนนี้จะสู้กันสู้กันนั่งคืนแต่ส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยรอดคร mm ับ hmm. เ, เห็นตัวอัตตาเยอะมากครับอื mm hmm. มีทุกขนทุกแห่งเลยครับ mm hmm. ยิ่งถ้าวันไหนภาวนาดีอัตตายิ่งโอ้โหยิ่งชัดรู mm ้ hmm. สึกว่าโอ้โหนี่เราถงใส่ใกล้แล้วเยอัตตาก็ขึ้นมาอืม mm hmm. ซึ่งซึ่งความจริงแผมคิดว่าคงไม่เป็นไปไม่ได้เพราะอัตตาอยังเต็มไปหมดมันจะไปรักสักระศักยะทิฏฐิได้ยังไงอืดีไปดูไปเรื่อยๆทาแค่บางทีแค่ขับรถไปเนี่ยแค่แซงเขาได้ก็เห็นอัตตาแล้วฮะอัตตาขึ้นมาแล้วเออเก่งนะดีี่เต็มไปหมดนะครับมองไปทางไหนก็เห็นยังไม่รู้เลยว่าจะจะไปรอดหรือเปล่ารอดรอดดูอย่างเนี้ยรอดนะครับเนี่ย หลวงพ่อมีพระองค์ปูบาาเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนไปศาลาลูงินด้วยกันไปแวะฉันข้าวที่มอเตอร์เวย์พอเสร็จแล้วจะทิ้งกระดาษทิชชู่นะโยนกระดาษทิชชู่เนี่ยโอ้แค่โยนกระดาษทิชชู่ยังมีอัตราเลยเนะนี่ยดูละเอียดได้นะดีแล้วที่เห็นข้างหลังมีใครอีกคนหนึ่งนนเสื้ที่ยกมือเนะ่เสื้อเหลืองๆเขาคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายภาวนากันเก่งๆขึ้นเยอะเลย น้ำมการหลวงพ่อค่ะขอคําแนะนําหลวงพ่อด้วยค่ะหรือเอาง่ายดีนะคนนี้อย่าขี้เกียจนะอย่าขี้เกียจดูไปเรื่อยๆดูกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราดูไปเรื่อยๆอย่าไปเกลียดมันด้วยนะเห็นไหมกิเลสเห็นบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นนั่นแหละไปหัดดูกิเลสนะกิเลสปลุวแล้รีบรู้ไวๆแล้วที่ทําอยู่นี่ถูกแล้วหรือถูกสิไปดูกิเลสเพิ่มขึ้นอีกจะได้ถูกเยอะกว่านี้ เหมือนทําข้อสอบมาน้าตอนนี้ได้ห้าคะแนนแล้วไปดูบ่อยๆจะได้หกคะแนนขอบคุณค่ะอ้าวเอสี่แปดไอ้เจ็ดสิบแปดไปคนสุดท้ายแล้วเอา้านี่ยกมือไว้ย่องมือไว้เขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนดีใจนึกว่าจะอดอ้าววัยวมีเวลาน้อยเอมเมื่อที่ที่แล้วที่มาปรึกษาหลุงพ่อตอนนี้อยากจะมาขอบคุณเนะะี่ยค่ะเพราะ<ม>ว่าใจสบายขึ้นแล้วแล้วก็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 คอยดูปีกกิเลสเนี่ยรู้สึกไหมมันหนีไปคิดแวบแล้วเมื่อกี้แต่แต่ว่าหนูรู้ว่าอาการคืออาการเจ็บอาการปวดไงคะแต่หนูรู้ว่ามันเกิดแต่ทําไมมันแบบออกไปยากมากเลยต้องใช้เราเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่เจ็บน ะ, ะแต่ฝึกคือกระทั่งมันเจ็บแต่เราไม่กลุ้มใจ แล้วมันเป็นเพราะอะไรคะหลวงพ่อคือแบบว่าพอนั่งปึ๊บเนี่ยนะคะหลวงพ่อคือจะนิ่งนิ่งไปเลยนะคะเหมือนกับว่าเบาไปเลยแต่พอครบอย่างช้าสุดเนี่ยนะคะก็คือสีสิบห้านาทีก็คือแบบจะลืมตาโดยออตโต้อย่างนี้หมายความว่าอะไรคะก็เป็นแบบระบบออตโต้คือพอจิตมันถอยออกมาแล้วก็รู้ว่าถอยนะให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยอย่างนี้นถูกต้องไหมคะถูกแต่ว่าที่ถูกอยู่ที่ว่าจิตใจขณะ น, นั้นเป็นยังไงให้เรารู้ไปเรื่อยๆนะ